มีมีเรื่องอยากจะกราบนมัสการเรียนถามหลวงพ่อมีคือมีหมอทางโรงพยาบาลจมิติเวชอยากจะถามอยากจะ อ, อยากจะทราบมาพระองค์ว่า่อนที่หลวงพ่อจะมาปฏิบัติแล้วก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้หลวงพ่อได้ทำยังไงมาก่อนบ้างพระองค์แต่เลิกครั้งแรกที่สุดหลวงพ่อเป็นเอง กับหลวงนาหลวงนาเอาไปบทเป็นเนมพราะหลวงน้าไม่มีเนมใช้ถ้านออกไปบทสมัยนั้นไม่มีอุปรรคาอาจารย์ทั้งหมดเมื่อมีอายุห้าปีหกปีพักก็จับเนมไปบทได้ท่านก็ไปบทเป็นเนมใช้หลงพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้เพราะบ้านหลวงพ่อไม่มีโรงเรียน พอได้วไวกกับท่านท่านก็ให้เรียนตัวราวตัวตัวไทยน้อยกับตัวทําให้เรียนหนังสือเขียนได้อ่านเป็นท่านวันนั้นแล้วกสอนกรรมฐานด้วยท่านว่ากรรมฐานของท่านนั่นคือให้นั่งขัดสมาธิขัดธรมเทศและกับภาวนาหาย ใ, ใจเขา้าปุ๊หาย ใ, ใจออกโผ ท, ทําำอย่างนี้ทำ บวชเป็นเนรอยู่ปีหกเดือนก็ทํามาอยู่อย่างนั้นแหละบวชไม่ไม่ได้เว้นวันทําทุกวันวันนี้คนที่จะสุดท่านก็ให้เรียนพิธีที่เอาไปใส่เป็นคารวะอย่างที่รัตนาศิลป์หรืองรัตนาปฏักมูลรัตนาเทพรัตนาธรรมท่นานให้เรียนเพราะเราฟังคำท่าน ท่านสอนเราต้องเรียนทานอันนี้มาสึกเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มก็ยังไปสมทานโสดกับคนเฒ่าคนแก่บ้านของพ่อคือมีคนเฒ่าคนแก่ประจำสิง่งวันแตดคำวันสิบห้าคำหลงพ่อก็ได้ไปจากับท่านเป็นบางวันเพราะเราต้องการสุนีรภมามันเองก็ออยังไม่รู้เราจะทาได้ครบสมบท ทำมานับหนึ่งสองสามหรือสมาลาหังผองยุกฮานาปานสตินี่หลวงพ่อทำมาทำมาแล้วเสร่จแลวงตอนนี้หลวงพ่อพูดเลยมาคืออายุยี่สิบปีนี่เนี่ยถ้าบอกให้ไปบทเป็นพระหกเดือนก็ทกํากรรมฐานพอเดียนเป็นแล้วก็ต้องทําเข้าอยู่ในโบสถ์ทันเข้าเมื่อเดียวเดีวยวทันเข้าเอกาทำไง นะครับเดินเข้โร่งบ้างเลน้อยทั้งสองกรรมานเซ็คออกมามีครบขวดหรือว่าไม่ปะเรื่องกรรมฐานทนอนวิปัสสนาเนี่ยหลงพอไม่รู้อันใดเป็นกรรมฐานอันใดเป็นวิปัสสนาหลวงพอ่อมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันได้ผลสมบูรณ็ดีจริงแต่ว่าเรื่องปัญญาหลวงพอไม่รู้เรื่องการให้ทานรักษาศีล น, นี่หลวงพ่อทำ ดังนั้นคําสอนเหล่านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนแล้วคือเรื่องให้ทานก็มีมาก่อนแล้วเรื่องการรักษาศีลก็มีมาก่อนแล้วแม่ที่สุดที่เราว่าศาสน า, าพวกนี้คือพระสงฆ์องคเจ้าเนี่ก็มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยเป็นมาหากษัตริย์ออกอไปทรงศูนย์ดอม้เลยเห็นสนมนะเทพ สมรรเพศจ่างกต่เดียววานักบวชเั็นเองและทั้งกอดศรัทธาเรื่อมสายกลเลย อ, อกบวชต่ารู้เพตนั้นวันนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ฟังเรื่องเหล่านี้หลวงพ่อกันเข้าใจที่เราทำมานนมันก็เลยรู้ตา่างวันนี้มาพูดกันตอนที่หลวงพ่อเฉลยธรรมาอายุมีครบครัวมาอายุในเกณฑ์สี่สิบกว่า ป, ปี4ราสี่สิบหก ป, ปี ทำมานานเนี้ยจะเป็นจะมันได้ผวามสงบเมื่อไปทําวิธีอันนี้เนียลยหลวงพ่อวันทองเป็นอาจารย์สอนท่านสอนเรื่องของยุคแต่ของยุบนก็ทําเป็นแล้แต่ว่าต้องทำอีกอนอกจากของยุบหมายแล้วท่านกบสอนให้ถวาย น, นาตาหายใจเข้าของใหาว้วาตายหายจะออกใหว้วาตายให้ว่าตายเป็นอารมณ์เอาตายเนี่นะเป็นลมหายใจเข้าออก นนาานนก็ทวันแปดคัมหลวงพ่อจะขอกรรมฐานวันเก้าคัมหลกรรมฐานวันสิบคัมหลวงพ่อกรรมฐานในคืนนี้ตอนสนาก่อนที่หลวงพ่อจะรู้คือหลวงพ่ามากําหนดการเคลื่อนไหวทิศมือขึ้นรู้สึกขวามือลงรู้สึกยกมือไปรู้สึกเอามือมารู้สึกก้มลง เงยขึ้นรู้สึกคืนน้ำลายลงไปในลำคอรู้สึกทิบตาอาปาหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกคือมันเรียกว่าไม่ได้คำนุณอะไรนะเอาจะผครู้สึกเบาๆเทานั้นเองทำไปมีแมงปองตัวนี้ตกลงมาใส่ขาใส่ขาละครในสมัยนั้นนุงกามเกงขาสั้น แมงแมงฟองบ้า น, อออนของพ่อเรียกว่าแมงมอดแม่ตกสียขาพอจกเล่นมันก็นเลยมูบอยู่ที่ขานี่เองหลวงพ่อก็เลยเห็นลูกมันแแ่นออกตามพ่อแม่มันมาแแหลนอยู่ตามขาหวพอปกกระตีหลวงพ่อมีอะไรตกสัมผัสหลวงพอจากปัดออกทันทีวันนั้นเลยไม่ปัดเลยมองดูโอ้ขาหลวก็เป็นรูปเป็นร่าง แมงปองก็เป็นลูกเป็นนาำก็เลยเกิดความรู้ขึ้นมาลูกนามรูกคำนา้รคำลูกโลกนามโรคลูกโลกนามโลคมีสองอย่างโลกทางเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้องจอเป็นโลกอนใดต่างๆก็เป็นี่รูปนี้วันนี้เมื่อรูปเป็นใจก็ไม่สบายอันนี้ว่ารูปโลกน้มโลกสนิดหนึ่งรูปโลกน้ำโลกอีกสนิดหนึ่งรูปกายเริมไม่สบาย ไม่เจ็บหัวไม่ปวดท้องไม่เป็นอะไรลนะเดี๋่วมันพอใจมันไม่พอใจหรือขัดเคืองใจกับเพื่อนๆ เ, เราดูไม่พอใจกับเพื่อนๆ เ, เราพูดอะไรต่างๆอะนั้นอั น, นั้นเดี๋ยวจิตปินงานเป็นโรคจิตปิญญาเป็นโรคได้ทํำยังไงมันเกิดความรู้ขึ้นมาเขาต้องทําความรู้ตัวเจินตัวทําความรู้สึกใจเจ ว, วดใจ ทำความรู้สึกตัวตื่นตัวเป็นใหญ่ในตัวบางคับรู้ได้ทําความรู้สึกใจเป็นใหญ่ในใจบางคับใจได้เห็นก็โมโกรธโคมโลภโคมเหน่งโคมดีใจเสียใจนัน่ น, ก, น, นก็ลดน้อยไปเมื่อรู้จักอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยรู้จักทุกครั้งอนิจจังนัตตาแต่ก่อนหลวงพรร่อรู้ตามคําพูดตามตำรักตาราครูบาอาจารย์พูดให้ฟังว่า ทุกขังอันิีจังผมงอกวันหักหรือเนื้อหนังแห้งลงไปไม่ปกตินั่นเนี่ท่านบอกเป็นทุกขังเป็นอันิจจังเป็นนักตาท่านพูดทําไรแต่เมื่อหลวงพ่อรู้มันไม่รู้ต่างคือการเคลื่อนไหวพิกมือขึ้นเป็นทุกขังเป็นอันิจจังเป็นนักตาขั้วมือลงเป็นทุกขังเป็นอันิจจังเป็นนักตาก้มลงเป็นทุกขังเป็นอันิจจังเป็นนักตา เงยขึ้นมาเป็นพวกขังเป็นอนิจจังเป็นนาฏตาเหลียวซ้ายแล้วหัวให้ว่าในอินญาบทเรื่องรูปนามนี้เองเป็นพวกขังเป็นอนิจจังพวกขังหมายถึงติดอยู่กับรูปแยกจากกันเมื่อได้ไม่ได้แยกจากกันเมื่อใดตายเมื่อนั้นทันทีดีกว่านี่เป็นพวกขังเป็นอนิจจังเป็นนาฏตามันรู้มันยังมีแต่ก่อนมันมันไม่รู้แตมันเห็นอันนี้แต่ว่ารู้ก็ได้ว่าเห็นก็ได้มันใจมันเห็น ใจมันรู้ใจมันเข้าใจเมื่อรู้อันนี้ดีแล้วก็เลยมารู้สมมุติสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุตินรกสมมุติสวรรค์สมมุติศาสนาสมมุติพุทธศาสนาสมมุติบาปบุญนี่รู้ให้ครบให้จบให้ทั่วแม่ครูโรงเรียนก็เป็นสมมุติผู้ใหญ่บ้านกำนัลเขาเป็นสมมติ บวเป็นพระเป็นเนนก็เป็นสมมติบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วกบวชแม้พระพุทธรูปที่เราการาบเราไหว้เนี่ยก็เป็นสมมุติเท่านั้นเองในบ้านหลงพ่อเคยถือพระพุทธรูปไปไหว้ที่บนบ้านไหวท้ทุกเช้าทุกเย็นเวลาทําทวัดทำไหว้พระพุทธรูปนั่นแหละเลยเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสมมุติผ้าแท้ๆคืออะไรผ้าแท้ๆคือตัวทุกคนนั่นแหละเป็นพระ จิตใจไม่เศร้าหมองจิตใจรู้จิตใจเห็นใจเลยเข้าใจเรื่องโอโนี่มันเป็นสมมติก็เลยรู้าศาสนาขึ้นม า, าศาสนาไม่ได้หมายถึงวัดไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปไม่ได้หมายถึงตัวคำพีวินยัยไม่ได้หมายถึงตัวหนังสืออะไรทั้งหมดเลยาศาสนาแปลว่าคำสอนสอนใครสอนคนสอนเข้าที่ไหนสอนเข้าตาบ้าง สอนเขา้าหูบ้างตาเห็นหนูฟังเสียงศาสนาที่จริงคือตัวคุกคนนะี่เป็นตัวศาสนาเนเข้าใจอย่างอันนั้นันเป็นเพียงสมนนงธธมตินันเอพุทธศาสนาบคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาตัวรู้กายรู้ใจนี่แหละรู้กายรู้ใจรู้กา ย, กายบังคับกายรู้ใจบังคับใจนี่เนะี่ยที่ว่าตัวพธธุทธศาสนาก็เลยรู้ยัง รู้อย่างนี้กันเลยรู้บากรู้บุญเยว่าเห็นก็นได้ว่ารู้ก็ได้มันปรากฏขึ้นมาบาป ค, คืออะไรบาปก็คือโง่นั่นเองคือไม่รู้ไม่เข้าใจใครพูดอะไรเชื่อไปทั้งหมดนั่นแหละคนบาปไม่เข้าใจอย่างบุญคืออะไรบุญคือรู้รู้แล้วใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรารู้แล้วจะไปมึดต่อัศจรรย์คําพูดของคนที่ไม่รู้ทำไม เรารู้แล้วเราก็ต้องเสื่อมั่นในการกระทำของตัวเองใน เ, เข้าใจอย่างนี้พอบาคือโง่นั่นเองบุญก็คือสลาดตั่นเองจะสมมติให้ฟังนะตอนนี้สมมติควายเขาออกไปฆ่ากันมั่นพ่อเคยเห็นควายเขาออาควายไปฆ่าควายตัวใหญ่ๆมีล้าเต็มคอเขอมีเนื้อควายตัวใหญ่ว่าจะนั่งกันได้ควายเนี่ยมันฆ่าคนได้สบายถ้าคนจูงมันไป มันยามตาคนแคนหลายคนเขาไปฆ่าควยถ้าควายมันมีคมสลาดในตัวขึ้นมามันก็ซนคนเหล่านั่นจักมันก็ไม่ตายดึงออกไปเสื้อมาขลุกมือเขาเนี่ยควายมันโง่มันจะออกตัวหล่อไปให้เขาฆ่าให้มันตายคนก็เหมือนกันถ้ามันยังโง่อยู่ก็แสดงว่ามันบาปมันมันไม่รู้เพราะมันมีบาปนั่นเอง าบาปนั่นคือปกปิดแม่ห้เรารู้จิตวะหลพวพ่ก็เลรู้ยามินก็เลยเลิกละจากการทําทั่วพูดชั่วคิดชั่วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลวงพ่อเสื้อมั่นในการก็ทําเป็ น, นพอที่จะเข้าใจได้ปุ๋ยครับหลวงพ่อครับแล้วทีนี้ว่าการที่จะฟังหลวงพ่อร้องให้ฟังหลวงพ่อก็เคยบวชแนนมาปฏิบัติกั บ, กบนหลวงน้าอยู่ปีหกเดือน ต่อมาก็เป็นหนุ่มก็มาบวชปฏิบัติอยู่หกเดือนนะครับแล้วตามที่ชาวบ้านรู้สึกก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็ดีหลวงพ่อก็ดีก็ต้องไปออกมาบวชซะก่อนซึ่งได้รู้เห็นมาตามลำดับก็สงสัยว่าคนอื่นๆถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เห็นบ้างอยากจะพ้นทุกบ้างนี่จะต้องออกบวชจางนี้ก่อนหรือเปล่าครับผม ตอนนั้นหลวงพ่อไม่ได้บวชเป็นโยมเป็นโยมที่หลวงพ่อเคยรักษาศีลมาเคยให้ทานเคยทําภาวนาพทุทโธด้วยนับหนึ่งสองสามสัมมาอะระหังหรือพองุ้มลมหายใจข้าวออกยาละเอียดสั้นยาวนี่หลวงพ่อเคยทํามามันไม่รู้อันนี้หลวงพ่อรับรองได้ว่าบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้จะรับศีลก็ได้ ไม่ลับสินเขาได้อันนั้นมันเป็นสมมุติมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องข่มจริงเพราะมันคนทุกคนต้องปฏิบัติได้ที่หลวงพ่อปฏิบัติที่พูดให้ฟังมารู้มาเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนั้นคนนึงรูดจักบ้ารู้จักมุญแล้จบภาคตน้นหลวงพ่อเลยเป็นนิพพานูตอนนั้นเลยผู้หญิงก็รู้ได้ผู้ชายก็รู้ได้เลยได้อันเดียวกันเท่านั้นรู้เหมือนกัน เราเคยพูดบ่อยๆเราทำมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันถ้ารู้คนละเรื่องไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพรุทธเจ้าสอนของจริงแม้ท่านจะพูดไปมากๆท่านก็มาพูดความจริงอันนั้นผู้หญิงก็ต้องรู้อันนั้นผู้ชายก็ต้องรู้อันนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องรู้จักนั้นให้ว่าคนทุกชาติทุกภาษท า, ท, าทุกเพศทุกวัยต้องรู้อันนี้จึงว่าเป็นธรรมะแท้ธรรมะนั่นคือตัวคนนั่นแหละทําดี ทำชั่วคิดดีคิดชั่วทำดีพูดดีคิดดีเขาเรียกว่าธรรมะทำทั่วพูดชั่วคิดชั่วเขาเรียกว่าอาธรรมที่ว่าคนมันมีกายกระทำโด้วยกายโดยคําพูดโวยใจนี่คุณพอรู้พอดีรู้อันนี้่มันเป็นวิปัสสนาคือมันรู้ออกนอกตัวไปเลยมันเกิดปีตีขึ้นมาพูมภูมิใจขึ้นมามันก็รู้ออกนอกตัวไป เรารู้อันเนี้ไปสอนผีก็ได้สอนเทวดาก็ได้สอนใครก็ได้เม่อจะไปสอนคนแล้ววันนี้พอรินฟุ้ ง, งออมากันเส็จอารมณ์รู้เรื่องี้ปัสสนุปกิเลิสิบประการหรือสิบหกประการแล้วไปจะพูดอะไรทังสิ้พูดดรงนี้ไม่รู้ตัวไ ม, ไม่ได้รู้แต่ว่าเรื่องรูปนามไม่รู้ไม่เลยมีแต่รู้กับรู้เท่านั้นเองรู้เรื่องนั้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้คนฟังเข้าใจ พูดอย่างนั้นคนฟังไม่เข้าใจพูดอย่างนี้ผีฟังเข้าใจพูดอย่างนี้ผีฟังไม่เข้าใจพูดอย่างนี้เทวดาฟังเข้าใจพูดอย่างนี้เทวดาฟังไม่เข้าใจแต่พูดเลยมันลืมความรู้เน่ยจับไม่ได้จีวะความรู้อันนั้นมันเป็นรู้ตามหลักการที่เราเข้าไปในควารู้มันเข้าไปในความคิดมันรู้อันนี้แหละเป็นที่ปรานปกิเลสเป็นอย่ตกเย็นมาหลวเพ่าไปอาบน้ำมาเดินจงกรม หัวงพ่อเป็นโยมนหน้านี่หลวงพจึงกล้าได้ว่าผู้หญิงก็รู้เหมือนกันผู้ชายก็รู้เหมือนกันภาพสงฆ์องค์เจ้าก็รู้เหมือนกันรับศีลมาปฏิบัติก็รู้ไม่รับศีลมาปฏิบัติก็รู้คนเรียนหนังสือมากๆมาปฏิบัติก็รู้คนไม่ได้เรียนหนังสือไม่อ่านหนังสือเป็นมาปฏิบัติก็รู้เพราะมันรู้ตัวเราหันไม่รู้คนอื่นวันนี้ก็เดินไปเดิน ค่ายค่คือมีคนมาผลักตรงข้างมาซุก ข, ข้างวันกริมาซุก ข, ข้างรู้วาก็เลยไม่เห็นอะไรแย่ทําไม่เราเดินนี้ตรงนี้ไม่มีคนทําไมมีคนมาซุก ข, ข้างมองที่ไหนก็ไม่เห็นคนเราก็เดินกลับไปกลับมายังไม่รู้ควาคิดกนะันยังไม่รู้มันเพียงจะรู้ควาคิดรู้แล้วมันเข้าเป็นควาคิดวันนี้เดินไปเดินมา มันคิดขึ้นมาวูบที่สองน่ยผมมันคิดแล้วมันแล้วก็รู้สึกแต่ว่ายังทาอะไรไม่ได้เดินไปเดินมาพอดีขั้งที่สามเนก่รู้ชัดเจนอ๋อความคิดมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยจับหลักการนั้นได้พอดีมันคิดขึ้นมาหลวงพ่อก็เห็นมันก็รู้เห็นรู้เข้าใจทราบซึ่งก็เลย เอาสติมาดูคุณคิดว่าันนี้ก็ได้หรือจะว่าทําเหมือนแมวกับหนูวันนี้กได้มันเป็นเรื่องสมมติพูดแมวกับหนูเนี่ยมันปลับปากกันบ้านเรามีหนูเราจะไล่หนูหนีมันไม่สามารถที่จะไล่หนีได้จําเป็นต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวตัวเล็กหมดจับหนูตัวโตวจับไม่อยู่เลยพอดีหนูตัวโตวออกมาแมวมันไม่เคยกลัวเลยมันไปจับ หนูก็วิ่งไปพิ่งไปแมวมันเหนื่อยแล้ววางหูไปอนุคมคิดก็เหมือนกันมันคิดมาแรงๆเนี่ยเราเห็นแต่มันหยุดไม่ได้มันก็เลยไปตามความคิดคิดไปว่าอั น, นั่นดีอันนี้ชั่วอันนั้นผิดอันนี้ถูกต้องมันเข้าไปในความคิดเหมือนแมวจับหนูโตๆเนี่ยอันนี้ก็ความคิดมันแรงสติมันน้อยหรือคนสัมผัสมันน้อยกว่าอย่างอี้ก็ได้เราก็ต้องทำควา ม, มรู้สึกมากๆ เดินไปเดินมามันคิดปุ๊บเห็นปั๊บบางทีก็ยาวบางทีก็สั้นมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดเอาแบบนี้มันคิดลอยเรื่องมันเรารู้มันเรื่องเดียวมันไม่ถึงลอยเรื่องแบบมันได้เข้าสิบเข้าเรื่องมันคิดขึ้นมาเราเห็นมันมันก็ลดมาลดมาพอดีมันคิดมาปุ๊บเห็นปั๊บด้วยมันทันตัวจำนวนลอยเรื่องมันคิดขึ้นมา เราเห็นทุกเรื่องก็เลยเข้าใจเพอาะไดีเห็นอันนี้แหละน้ำหนักหลวงพ่อนี่นะสมมุดเอาหนะึ่งร้อยกิโลเบาขึ้นมาอย่างน้อยหกสิบกิโลเลยอย่างน้อยที่สุดแต่ในช่วงนั้นหลวงพ่อขาดคิดออาคนเดียวออาเข่าแล้วแปดสิบกิโ ล, ลมันมีอารมณ์ให้เราเห็นอารมณ์นั่นคือเห็นวัตถุเห็นปรามาสเห็นอากาศ วัตถุหมายถึงอะไรหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกที่สมมติขึ้นมาวัตถุคือต้นไม้ภูเขาห้วยหนองของมืเป็นวัตถุวัตถุคือเสื้อคือผ้าเป็นวัตถุภายนอกเป็นวัตถุดินฟ้าอากาศเป็นวัตถุวันนี้เนื้อหนังแข้งขาหน้าตามือเท้าเราเป็นวัตถุมันจิตใจที่มันเนื่องมันขึ้นมันก็เป็นวัตถุโอ้วัตถุนี่จะมีมากแล้วสมมุติพูดขึ้นมาจะมันรู้จักสมมุติบัญญัติ ฟัาลามัตบัญญัติอัทธาบัญญัติอริยบัญญัติรู้อันนี้ขึ้นมา ท, าทันทีพอดีรู้วัตถุรู้ฟัลลามัตรู้อาการเห็นมันไม่ใช่รู้เสียงเสเพป็นเห็นเป็นอารมณ์ก็เลยเห็นโทสัโมหะโลภะนเนี่ยขึ้นมามันเป็นอารมณ์คือพูดที่มันยาวแกพอดีมันเป็นแป๊บเดียวเท่านั้นเองมันพร้อมๆกัขึ้นมาตั้งเป็นหลักไปวัตถุขมิสามโธสัโมหะโลภะมสาม โอ้มันเป็นอย่างนี้นก็เลยเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเวทนาไม่ทุกแล้วแบบสัญญาไม่ทุกแล้วสังขารไม่ทุกแล้ววิญญาไม่ทุกแล้วแค่เดียวเท่านั้นเองเนี่ยก็เลยเกิดเห็นรู้เข้าใจกิเลสตัณหาอุปาทานกลับแต่คนหลวงพ่อรู้แต่ผมไม่เห็นวัดนี้มันเห็นมันเข้าใจนี่ธรรมะที่หลวงพ่อกล้าจริงให ญ, ญ่ นํามาสอนเพราะมันมีในคนหลวงพ่อกระเลอ๋อเราเป็นพระได้แล้วเขานี้เป็นพระอันนี้มันเป็นพระโดยทางปรมัเพราะจิตใจเป็นเป็นเองจิหวใจเนี่ยเราจะไปยึดไปถืออะไรทั้งหมดปล่อยให้มันเป็นอิสระขึ้นมามันคิดอะไรรู้แต่อย่าไปห้ามอย่าไปเข้าข้างอันใจมันไปอิสระเมื่อใจมันไปอิสระมันก็พ้นไปจากการยึดมั่นพ้นไปจากสิ่ทังปว หลวงพ่อก็เลยเดิน<ป>เดินรู้จริงๆเลยทุกคนต้องรู้อย่างนี้พระก็รู้อันนี้โยมก็รู้อันนี้ให้ว่าคนเนี่ยถื้ศาสน า, าใดก็ต้องรู้อันนี้เพราะมันมีในคนเนี่ยนี่ว่าการศึกษาและปฏิบัติหลักศาสนาถึงไม่คือกันหรือไม่เหมือนกันเพราะผมเห็นคมรู้ผมเข้าใจไม่ถึกันหลวงพ่อเขาไม่เคยรู้อย่างรู้แต่รู้รู้ฟังอนนี้จัง รูปไม่เที่ยงเวทนานิจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจาสังขาไม่เที่ยงวิญญาณอนิจังวิญญาณไม่เที่ยงรู้พอดีรู้โดยปล่อยให้จิตใจที่มันรู้เองเป็นเองเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเรียกว่าจิตมันพ้นไปเขาว่าได้โดยจิตเป็อิสระเขาว่าได้แล้วทจะพูดอย่างไง เมื่อเป็นอย่างนี้หลวงพ่อกะเลยมั่นันจรู้จักมาการปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้การให้ฐานรักษาศีลมันจะเรื่องสมมติมันมีมากอขอนพระเจ้าที่พูดนี่ผุ้คนรู้ได้เมื่อเจ้าไซทิสทหากุมาเกิดมานี้ก็มีการให้ฐานกันแล้วเซินอภาหมาร้อยแปดคนมาเลี้ยงพามาทํานาย้ายทาัก ซื้อเสียงเหลี่ยงมาของเจ้าสายชิตาธาอันนั้นก็เป็นการทำบุญบันนี้ใหญ่มาก็มามีครอบครัวถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์น้อยฟังว่าได้สมร ก, กับนางทิมพาได้ลาหย่างไเป็นห ม, มาสับแล้วบันนี้พาบริวาหรือหมาเล็กไปดูส่วนตอกไม้ก็ไปเห็นรูปสมณเทศ รูปสมณะเพศกับไปวัดนักบวชนี่เองก็เลื่อมใสโอสมณะเพศนี่ดีนะน่าเลื่อมใสนะไปไหนมาไหนไม่มีภาระผูกพันมากไม่มีของมากไม่มีอะไรมากไม่มีมูลนกมากท่านก็เกิดศรัทธาก็เลยบวชนุกขบวชตามรูปแบบนั้นเองกันนี้ก็นี่ว่าแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีมาของพระพุทธเจ้าคําสอนเหล่านั้นมันดีแล้วเป็นการทําดี ดูเพรเข้าใจอย่างนั้นบัด น, นี้ก็เลยมานึกย้อนถึงบทแล้วก็ไปหาษาเราเรียนไปเรียนกับอาลาดาบุตรกดขาดาบุตรสองอาจารย์นี้เรียนนําอาจารย์คุณแรกได้สมาบัติเจ็ดสมาบัติเจ็ดนั่นเราเคยพูดเคยเข้าใจกันว่าลูกสารสี่ลูกสารสี่หาลูกสา ร, 4, ารสามอ่ะครูบาอาจารย์เคยร้อาให้ฟังทั้งนั้น ทำสารได้เข้าสารได้ออกสารได้ดีห้องแค่ว่วองไวกันเหมือนกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมว่าไงาแ่ว่าถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกหมดคมรู้แล้วมันคมรู้แล้วก็ไม่มีคนรู้จะสอนแต่พระองค์นี่ยังไม่พออะไรคือยังไม่พอใจกว่ า, านั้นหลยก็เลยลาอาจารย์แต่เรียนต่อไป องที่สองเนี่ยได้สมบัดแปด ล, ลูกสานสี่อรุปรสารสี่สสวะเนี่คูบาอาจารย์มาให้ฟังทําได้คล่องแค่ว่องไวเหมือน ก, นกันกับอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมเข้าสารออกสารได้เดี๋ยวทาสมาธิก็ได้อะไรได้ทั้งนั้นนะถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกหมดแล้วผมรู้ที่จะสอนอาจารย์ก็เลยบอกให้ประกาศผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจที่เราสอนนี่แหละบอเคยแท้ ให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้คนที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจคนที่ยังไม่ศรัทธาให้เขาศรัทธาอันนี้เพียงคุบาอาจารย์เลให้ฟังหน้าันนี้พอที่จะฟังรู้เรื่องนะที่คี้คระสุนเด่นมากที่การที่ฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังมานนะครับเอ่อ คนธรรมดาก็ยังสงสัยอยู่ดีแหละครับว่า อ, อ, อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านพระพุทธเจ้าท่านก็ไปเรียนกับอาจารย์จนได้สมาบัดเจ็จะได้สมาบัดแปดแล้วถึงมาปฏิบัติต่อถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอย่างหลวงพ่อเองก็เคยปฏิบัติมาทั้งคฟองยุคอั น, นึนับหนึ่งสองสามพุทโธสัมมารอรหังได้ขับสงบแล้วหลวงพ่อมาทำทีหลังอย่างนี้จะเรียกว่า เป็นอย่างชาว บ, บ้านก็พูดกันหรือเปล่าเขาก็เป็นบา ร, รมีที่สัสมมาก่อนที่จะรู้หรือไม่เกี่ยวกันยังไงครับผมตอนหลวงพ่อเข้าใจเนะลยหลวงพ่ามันไม่เกี่ยวข้องมีทวมเกี่ยวข้องแต่ทำผิดก็ทำถูกซ่องคนเด็กก็แปลว่าไม่ต้องไม่ต้องไปทําสมถาก่อนนะครับก็ได้หลวงพ่อเคยสอนมาแล้วเรื่องนี้อันนี้หลวงพ่อพูดข่มริงให้ฟังคือวหลวงพ่อรูกมันเราก็้ามาสอนเลย แล้วคนเคยทําพุโทโธมากกว่ามีไม่เคยทําพุโทโธมากกว่ามีรู้ได้เหมือนกันเรียกว่าไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็รู้เหมือนกันอันนี้เอาไว้ที่ก่อนนะถ้าหากว่านั้นสุดท้ายยจงมาพูดกันเรื่องตอนนี้อย่างนี้คือเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพระเจ้านะสมมาบัตเต็ดนี่ยคนเข้าใจอย่างนั้นมากหพราะก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่เป็นคําสอนของพระเจ้าเป็นคําสอนของผ้าใช่ไหมทุกคน เพระพามันสอนมาแล้วถามตามเขาไม่ใช่เป็นคําสอนของท่านแล้วคนกันนึกว่า น, นั้นเป็นพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาศาสนาเป็ว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรคนทำเรื่องนั้มาสอนจะเป็นคำทั้งทีถ้าองค์ไม่ขัดขวางจากนั้นมาพระ อ, องค์ก็ลาอาจารย์อหนีมาเพราะว่าไม่ไม่เห็นด้วยว่าจะหยุดเพียงแค่นี้มันยังไม่เป็นทางพนทุกวัน ทั้งกับมามาครับพวกปัญจวัคคีย์ทั้งามาก็มาด้วยก็อย่างนั้นนะจะหมาอดข้าวอดน้ําแต่ทางตางําราหลวงพ่อไม่รู้ไม่รู้มากเพรไม่ได้เรียนมากอดข้าวอดน้ําไม่กินข้าวไม่กินน้ําไม่พูดไม่คุยกินข้าววันแล้วเท่าเม็ดเงาวันครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเนื่องน้ำก็แห้ ง, หงลงสูบพร้อมลงเรือจะเอ็นหนังกระดูกรัดลึง ก, กันเอาไว้ ไปไหนมาไหนพลันลําบากลําคานทํำถึงขนาดนั้นอันนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสู่ไม่ได้เป็นธรรมชาติอันนี้ว่าคนจะว่าหลงทางก็ได้หรือ ว, ว่าไม่หลงทางก็ได้เพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์สอนก็ทําทไปตามความคิดเห็นอันนี้ว่าทิฏฐิคือความเห็นหลวงพอเข้าใจครับคิดยังไงก็ต้องทําไปตามความคิดตัวที่เพราะเราคิดว่ามันดีก็ต้อง ท, ทําดีอันนี้ยังไม่ได้เป็นสมาธิเป็นเพียงความเห็น ความคิดเกิดขึ้นมาเียกว่าเป็นทิพย์ที่เท่านั้นเองวันนี้ทําไปเยกว่าหมดเลี้ยวหมดแรงว่าอย่างนั้นก็ได้เนี่ยพระองค์บอกใครจะทําเสมอหรอไม่มีแม้เราทําขนาดนี้มันยังไม่หมดทุกก็เลยกินหอมลไมในบ้านหลวงเขาเรียกมะขามพ่อมะขมนอเนี่ ย, ว, ย ว, วันนี้พวกปัญจวคีต่างห้าเห็นพระองค์ทายคมเพียนเวียนม า, มามากๆแล้ว คงจะไม่ได้ตัดสินู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบนระับนี้พระองค์ก็ไปคนเดียวเดินไปตอะแตะตอะแตะไปบางครั้งบางคราวก็คิดถึงพวกเป็นจังวัดที่ห้าที่แรกอยู่ด้วยกันหกคนพวกนั้นไปห้าคนละมาคนเดียวความคิดมันไม่หยุดได้แต่มันเข้าไปในความคิดมันคิดรู้อ่ความคิดคิดขึ้นมารู้แต่ไม่ได้เห็นของคิดมันคิดรู้ขึ้นมาเองคิดโอ้มันเป็นแต่ยังไม่รู้ว่าตัวคิดมันคิดขึ้นมา รู้ไรบัตดเจอเอานางฟุตสดาเนี่ยกินข้าวนางฟุตสดาเนี่ยแล้วก็ถามานางบอกว่าจะถวายจะข้าวหรือหรือถวายท่านนางฟุตสดาเอาข้าวไปโยงวนเทวดาเนี่ยการไหว้วัดเวดาวก็มีมาก่อนเลยไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เพราะมันมีมาก่อนนี่ก็เลยเอาขนอันนั้นไปอธิษฐานเมียน้ำ ม, มาถ้าข้าพุทเจ้า จะได้ตับทะลุปเป็นธรรมชาติฆ่ากิเลสตายคล า, ายากิเลสหลุดดับทุกได้จริงวางถาดและขันใบนี้เนี่ยลงไปบนผิวน้ําแล้วให้มันทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ำไว้ในทางตรงกันข้ามถ้าหากจะเอาสะนะไม่ได้ฆาากิเลสไม่ตายคลายกิเลสไม่หลุดดูในวัฏจัผมทุกอันนี้เนี่ยวางไปให้มันไหลไปตามากระแสของน้ำไว้ วางอกไปแล้วก็โขนกระแสของนาขึ้นไปคันนาครูบาอาจารย์พ่อแม่เคาให้ฟังนอนยังไม่ตื่นเดือยเสมสมัยนั้นคันนะเป็นเด่นน้อยใช่ไหม อ, อุปธรรมพระทพเท่าไหร่ห้าร้อยองศาได้ไดงนินเลาๆไม่มีวันนอนเลยบุญก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาขอให้ได้นอนเต็มที่ก็เลยตายไปแล้วจะ้ไปนอนเต็มที่ยังไม่ตื่นไปคันก็เลยไปจมที่นั้น ไปทุกโมฆะนาคันนาก็าเลยตื่นขึ้นมาแต่ไม่ได้ลุกไม่ตื่นแล้วก็หลับอีกนะมาตรงพ่อแม่มาทำเลยโอ้ไข่ตัดตะรู้แล้วโอ้สิทธาได้ตัดตะลุแล้วพอนั่งก็หลับไปเลยอันนี้หลวงพ่อก็เลยมาเข้าใจเรื่องีทวนกระแสของน้ำเนี่ยไม่ได้ทวนกระแสของน้ำที่มันทวนกระแสของความคิดพ่อควมคิดที่มันไหลไปเรื่อยๆไปเล ย, เ, ลยเราไม่เห็นไม่รู้มันก็ไหลมันคิดอยู่ไม่มีวันดุด กลางวันเป็นคิดกลางคืนเป็นฝันมันเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเว ล, ละก็เลยรู้ตอนนี้ก็เลยมากับพวกเข้ามาพูดเรื่องอารมณ์ที่หลวงพ่อรู้มาจริงจริงนี่แนหะละหลวงพ่อรู้กันเนี่ยหลวงพ่อรู้เรื่องกิเลสตัณหาอุปทานคำเนี่ยก็เลยมานอนมานอนแล้วตอนเช้าหรวงพอขึ้นลุกธรรมดาเราลุกนี่แหละเป็นตีสองตีสามนี่แหละเราไปปฏิบัติธรรมมาก็ต้อพยายามทำ ลูกผมาอกมาลางหน้าธรรมดาเราแปงฟันธรรมดามดดที่ไปจุกเขียนไขแต่ใต้ไปทางจุดคมข้างอันข้างนี้นนใต้เขียนไขไว้สองเล่ม<อ>ก็มีตะขาบตัวนหนึ่งตัวขี่เข็บรู้ไหมเด็กแลนออกมาพานหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อทุกขี่เข็บกัดข้างหนึ่งแต่ เ, เมื่อหนุ่มๆเจ็บหลวงพ่อก็เลยขี้เข็บตัวนี้มันจะมากัดเราออกเทียนไขตายไป ตามันไปไม่เห็นเลยเพราะว่เาเขาพอถิงขายตั้งไว้ที่เดิมพอดีตั้งถิงขายไว้ที่เดิมเพเดินกลับไปกลับมาก็เลยเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจเพียงแต่มันรู้ทิ้งรู้ทิ้งมาอยู่ควรู้สึกนี้เองมันรู้แล้วกัเแล้ยวเรารู้รู้สึกแล้วแล้วไปเร่อมาหยุบขายเคลื่อนไหวก็เลยเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งองนรงุรักษ์ศิลปนเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยิ สมาธิเป็นเครื่องกบจัดกิเลสอยางคราบปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิลเลสอย่างละเอียดมันรู้อันนี้ขึ้นมามันเห็นมันรู้มันเข้าใจจังหวะวิปัสสนาจริงมีอารมณ์คนใดเป็นนึกไปคิดเอาเรืคดีจะดลบพ้อไม่ได้ปฏิเสธดลบพ้อไม่ได้นึกคิดอะไรเลยก็เลยเห็นสินขันสมาธิขันปัญญาขันขันนี่เราก็เลยเปรียบขึ้นมาขันดีเอาไปตักน้ำได้กินขันไม่แตกไม่รั่วเก็บน้ําได้ ถ้าขันแตกขันรั้วไปจักน้ำเขาไม่ได้คิดอเสื้อผ้าก็เหมือนกันถ้าฟื้นขันฟื้นที่ดีเอามานุ่งก็ดีข่าวนั้นไม่เอาไม่เทียนนี่ทำผ้าฟื้นทิศสองให้นุ่งอาบน้ำเขาได้เขานุ่งนอนเขได้หรือเอาเป็นถั่ว่มตุ้มเราก็ได้ก็เลยเปียกเยียบเกียจง่างก็เลยรู้จักวิสินเป็นเครื่องกาจัดกิเลสยังยากิเลสยังยาเก็คือได้เจอโทสะโมหะโลภะ เกิเลดตันหาหัวทางคำอ๋อมันเราทําลายได้ตอนเย็นนั้นสิ้นจึงปรากฏขึ้นมาโอ้สินมันไม่ได้หมายถึงห้าสิ้นแปะสิ้นสิบสิสองร้อยี่สิบเจ็ดสิ้นสามร้อยสิบเอ็ดตัวมันไม่ได้หมายถึงสิอันสิ้นอันนั้นมันเป็นสิ้นสมมุติสิ้นสังคมอาจารักษาเท่งคัดคัดหน้าไหนกอไม่รู้จิ๋วจ่อยให้มันเป็นอิสระข้าจะเป็นไปตามหน้าที่ของมันมาเลยปรากฏขึ้นมา เมื่อแปลก็ขึ้นมาอย่างนี้กขาเลยเรามีสินสินแปลว่าปกติอันี้ปกติกายปกติวาจาปกติใจสินขันอันนี้ตาก็เป็นขันหูเขาเป็นขันให้ว่าขันห้าเราเนี่ยเป็นขันมีสินขันอันนี้แหละขันทุกขันคือว่าขันห้าก็มีสินขันซี่ก็มีสินแล้วจะพูดยังไงก็ได้ขันห้ากับลูกเวลานาสัญญาสังขารวิญญาณป็นขันห้าขันซี่กับลูกขัน เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันขั น, ขนเหล่านี่มีสิมีศินแล้ววันนี้กินเลสก็เข้ามาแทรกแซงไม่ได้ก็เป็นคนเป็นปกติแล้วจิตใจมันนึกคิดอะไรรู้เท่าทันเหตุการณ์รู้จักกันรู้จักแก้รู้จ ก, ก, จ ก, ก, จกอัศนาเหมือนได้หลวงพ่อกระลือมีสินมีสินจริงๆสินอันนี้จริงเป็นเครื่องกํจาจัดกิเลสอย่างนาทางตำราเขาว่าพระที่ศินสินขา อาธิจิตาสิกขาอาธิปัญญาสิกขาว่าอย่างนั้นตำราครูบาอาจารย์สอนมาอย่างไแต่สินหลวงพ่อรู้มันมากําจัดกิเลสยายักษ์นี่ไม่ได้โดยตรงหลวงพ่อจริงไม่ได้ติดตำราพูดนี่ไม่ได้โกงกับตํารานะพอที่จะเข้าใจไหมครับผมแต่ว่ามันพิดตำํำราแต่มันก็ถูกกับตำํำราเพราะตำรานะั้นมันพูดไปถ้าใจพิดดกนี่จะเสื่อกันทั้งหมดไม่ได้แ่ะจะทําลายมันก็ไม่ได้ ตำราพระใจเป็นตักระม่ยมถึงคนนี่เองเขียน<ฮ>เป็นตัวหนังสือแล้วไปเด็ตกน้ําก็ไหลตกไฟกระไหมมันเป็นอย่างนั้นหรือว่ายัางไงก็ได้นะ่ะเขียนใหม่ขึ้นมาก็ได้ตกน้ำก็ไหลตกไฟกไ็ไหมเอาไปทิ้ที่ไหนก็ได้หรือเขียนใหม่ขึ้นก็ได้ได้มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาคําสอนอย่านี้นมากขึ้นคนใดมันไปติบตำราก็ดีเจ้หลวงพ่ไม่ว่าไม่ดีเจ้าหลวงพอ่อก็เลยดูอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้ก็เลยเขา้าใจเข้าใจในขนานั้นบ่า น, นี่รู้จักกิเลสอย่างกลางขึ้นมาเพราะมันมีสินะ่งกิเลสอย่างกลางคืออะไรคือไปทํากรรมฐานมันสงบคือไปไม่มีอารมณ์สมาธิกรรมฐานจึงมปิดอวัยสงบจิตวิปัสสนากรรมฐานจียมปิดอวัรรอยเกิดปัญญาเข้าใจคือเราไปทํากรรมฐานภาวนาพุทโธธรรมโมสัมมาอะไรอะไรก็ตามนั่งดูลมหายใจ ลมยาลมละเอียดลมเข้าลมออกสั้ญยารู้จักพอดีลมระเอียดกับมันสงบมันสงบเลยไม่มีความคิดสงบอยู่เท่นั้นนะพอดีเราออกมาแล้วก็มาพิจารณาวิภากวิจารณ์อันนั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนาครูบาอาจารย์สอนแตบบ่ความจริงมรใช่มันมาคิดเอาเป็นวิวจารณ์มันไม่ได้เป็นยาตัญญา้งยามันไม่ได้เป็นความรู้วิปัสสนา วิปัสนาคือมันรู้แจ้งต่างเก่าล่วงภาวะเดิมรู้แจ้งหมายถึงอะไรรู้สมถะกรรมฐานตกอยู่แต่อํานาจของกา ม, มาแต่ว่าอันนี้เป็นกิเลสอย่างกาสมถะกรรมฐานตกอยู่แต่อํานาจของภาวะแต่ว่า ส, ะะสมถะกรรมฐานตกอยู่แต่อํานาจของอวิชชารู้อย่างนี้วันนี้วิปัสนาเนี่ยวิปัสนาคนรู้อารมณ์อย่างที่พูดมาแล้ว รู้เห็นเข้าใจกลามมาสวาคนใดตกตัวหนักของกลามแต่เขาไม่รู้ว่ามันทุกข์เข้าใจอย่างคือกางก็ทุกเจน้าเจผุทุกโกมเดือดร้อนค น, นั้นเองพระวาสนาตกอยูในในชาติจะไม่ใช่ว่าตายพวกทั้งสัตว์นี้นมันใช่ยังคือตกอยู่อนหนักของผมคิดปุนแตกภพสัตว์อนนวิชาสาวะคือเราไม่รู้อันนี้จึงไปวิภากวิจารณคิดนั้นคิดนี้หลวงพ่อเข้าใจแ เมื่อเข้าใจเจ้านี้อันนี้เป็นกิเลสจังาออกาจังหวะการมาสภาวะหมายถึงผู้มีกรรมผู้มีทุกข์ภ า, า, าวะสภาวะหมายถึงผู้ที่มีภพภิชาติหรือมีผมพวกข์กวนส ย, ยนู่นันแหะอาวิสสาคือผมไม่รู้แก้งออกจากสิงเหล่านี้ไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ทิศทางก็เลยเป็นอารเดินไปเดินมากลับไปกลับมาก็เลยเห็นรู้เข้าใจการทําบาปดวยกาย การทํ า, าทบ า, ด า, า, า, า, าปด้วยวาจาการทําบาปด้วยใจแกทาดีละชินนะมี่ถูกหมการทําบาปด้วยกายถ้าหาว่านรกมีไปตกนรกสั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันถ้าทําบาปด้วยวาจาพูดแต่ว่าไม่ได้ทําพูดเสยๆถ้ า, า, านารกมีตายไปเลยไปตกนรกสั้นไหนได้เสวยทุกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเขาใจวันนี้ ทำบาปด้วยใจเพียงใจคิดถ้าหนาลูกมีจริงนะ่ะไปตกนรกคุ้มไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันวันนี้สามอันวันนี้มารวมกันทําบาปด้วยกายทําบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจสามอันนี้มารวมกันทําพร้อมกันเลยกายการะทำเับพูดกับพูดใจก็คิดตายลงไปไปเสวยกนาะลูกมีจริงไหมตกนากกี่ปีกี่เดือนกี่วันเข้าใจยังในทางตรงกันข้ามวันนี้ ทำบุญด้วยกายถ้าสวรรค์นิพพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์นิพพานท่านไหนทำบุญด้วยวาจาวาจาพู่เซตยถ้าสวรรค์นิพพานมีตายไปแล้วไปเกิดอยู่สวรรค์นิพพานท่านไหนนานกี่วัี่เดือนดีวันวันนี้ทํำบะทําบุญด้วยใจหมดใจทําดีแล้วถ้าหาสวรรค์น like ิพพานมีจริงตายไปแล้วไปเกิดสวรรค์นิพพานท่านไหน นานกี่ปีกี่เดือนวันนี้กายก็ทําผู้ก็พูดใจก็คิดทําบุญเหมือนกันถ้ า, าสวัสค์ที่ผ่านดีจินตายไปแลป้วจะเกิดสวรรค์ที่ผ่านทัไนไรนานกี่ปีกี่เดือนให้เข้าใจอย่างนี้พอที่เห็นอันนี้ชัดขึ้นมาแล้วก็ เ, เดินไปสัมผัสแนบแน่นอ ย, อย่างนี้แหละอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมา ดังนั้นธรรมะเนี่ยถ้าเราไปจึดอันในอันอนึ่งไว้มันไม่ได้ทําตามหน้าที่ของมันมันเลยไม่ปรกเราต้องปล่อยให้มันเป็นอิสระให้ตัวมันเองปรามฏขึ้นมันเองเผยหน้าขึ้นมาไม่มาถูกก่วมไว้ให้มันแสดงตามหน้าที่ของมันจริงๆเดินไปเดินมาพอรู้อารมณ์ไม่จดเลยมันขัดท่วงกันหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังคงจะเคยได้ยินถ้า เคยได้ฟังเทพพอ่อหรือเคยฟังเขาพูดเขาเสื้อกในร่อนก่อนตาพวกโซนนั้นหลักนั้นพวกโซนนี้หลักดึงให้มันตึงมีดตัดตรงเกลียวตุ๊บมันฆ่าลังสะท้อนเข้าไปหลักเดืงองมันนี่เป็น อ, อันนี้เป็นผมคิดที่ขอพ่อคิดขึ้นมาเองมันสมมุติพูดให้ฟังจีงว่าสมมติมีมากที่พูดนี่ใจุดนี้แหละพอดีมันเป็นอย่างนั้นสาาําคัญพอดีเดินไปนมันเจือจัง มันเข้าสุ่สภาพของมันแล้วไปกายก็เข้าสู่สภาพของมันใจก็เข้าสู่สภาพของมันแต่สะดุดคําพูดคําหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดแล้วไม่ยาวอีกต่อไปค่าสองค่าสองข้อมือตามเดิมกนนันเป็นคำพูดแต่ไม่ใช่ผม่นเคยเห็นเขาทํารอกไหมเลี้ยงไหมสุดดักแด้หรือเปล่า มันหดอย่างนั้นแหละมันเข้าป้อมันอย่างนั้นเนพอดีมันเข้าป้อมันสู้สภาพของมันได้หลวงพ่อเเอาอย่เที่ยวผมเขาเบรดึงมันมีสามแล้วโอ้นี่อันนี้เหลกกีเรศอย่างละเอียดคือสิ่งนี้ปรากฏขึ้นก็ต้องเห็นต้องรู้เช่ว่าธรรมะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี่กคนนกเป็นไม่ได้แต่ต้องรู้ทุกคนตําลาเขาพูดว่าคนใดมีกิเลสตายแล้วไม่ต้องบอกตายแล้วจบเกิดดีกว่า คนใดไม่มีกิเลสตายแล้วก็ต่องไปสวรรค์นิพพานทุกข์ของเขาแต่เขายัางไม่ได้สัมผัสหรือว่าสิ่งนั้นยังไม่ได้ปรากฏกับคนนั้นก็นได้หรือว่าเขาได้สัมผัสมาแล้วหรือเขาปรากฏมาแล้วก็ได้แต่หลวงพ่อไม่ได้ปฏิเสธคนนั้นคุณหลวงพ่อพูดนี่พูดตามข่มจริใจัใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้สิ่งนี่เนี่ยมันแนบแน่นกับหลวงพอหลว ง, ง, งพ่อจึงมั่นใจว่า คำสอนของพระพเจ้าไม่เลือกยุคไม่เลือกสมัยใครทำก็ได้ผู้หญิงทำก็ได้ผู้ชายทำก็ได้ถ้าสงองค์เจ้าทำก็ได้ทำเพื่อแก้ปัญหาให้เรารูจ้จริงเท่านันเอพอดีมันเป็นอย่างนั้นบอนี่ทุกคนต้องมาจุดนี้ถ้าไม่มาจุดนี้ไม่ได้ <c oughs> จะมาทุกคนต้องมาจุดนี้แต่ทุกคนต้องเป็นทุกคนต้องรู้ มันจะแสดงตัวมันเองหลวงพ่อก็เลยพูดว่าทุกคนยกเป็นไม่ได้ต้องมาจุดนี้พอเมขคบาอาจารยพูดให้ฟังคนหมดกิเลสแล้วตายไม่ตื่นอิจคนใดไม่หมดกิเลสตายแล้วจะกลับมาเกิด อ, อันนั้นเป็นคาพูดอันนี้แหละทุกคนต้องมาจุดนี้ยกเป็นไม่ได้จะมีกิเลสคนยกเป็นไม่ได้ไม่มีกิเลสเขายกเป็นไม่ได้จุดนี้เรียกว่าเป็นจุด รายลวกอียดยอย่างละเอียดมันเห็นเข้าใจ พ, พระพุทธเจ้าตัดผมข้างเดียวเออธรรมชาติมันขาดเองมันมันขาดแล้วทุกคนอยู่แล้วมันมีแล้วเด็ที่ว่าธรรมะเที่ทำหำ พ, พระพุทธเจ้าเป็น พ, พระพุทธเจ้านั้นมันมีมาของ พ, อพระพุทธเจ้าแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ถูกเปิดเผยมันครอบหน้าอยู่ พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเปิดเผยวบางอย่างก็ได้หรือที ว, ว่ามารู้บางอย่าง หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไปสิ่งนั้นปรากฏว่าอย่างนั้นก็ได้มันปรากฏขึ้นมามันก็เปิดเผยตัวของมันเองอ๋อมันสิ่งนี้หวงพ่อกะเล็หมดปัญหาว่ะเออคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์มันจะมาลงสุดนี้ทุกคนนี้ไม่พ้นถ้าหากเรายังไม่พบ อ, อยู่นี้นี่นะจวนจับมดลมหายใจนี่แหละต้องสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาแน่นอนที่สุด หลวงพอเข้าใจอย่างนันทุกคนยังเป็นไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันจะไปตัดสินใจตัวเขามันเองจะเผยหน้าขึ้นมาเองมันม น, นี่แหะทุกคนต้องเป็นจริงๆัรีบเรี่ยงไม่ได้คันธาโคตตามหาสาบ้านหลุดทุกคนต้องตายตายทุกคนจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตาย จะเป็นใครๆก็ตายแม้พระพุทธเจ้าเองก็ต้องตายแต่สิ่งนั้นนะครับมันไม่ถูกบังคับคือว่าจิตพ้นแล้วย่อมเอคือจิตเป็นพ้แล้วอยู่จิตเป็นอิสระแท้ไม่ถูกอันใดเพราะเกี่ยวมันคือจะว่ามันไม่ต้องไปยึดสินไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปยึดฐานไม่ต้องไปยึดอะไรทั้งหมดเลยเพราะมันพ้นไปจากทุกสิ่งทุกอย่ากคือว่าตัวจิตส่นล้วนมันพ้นไปแล้วแต่เราไปยึดเท่านั้นเอง เราปฏิบัติเราโลกอันนั้นเราเห็นอันนี้ธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนี้คือไม่ได้ปล่อยให้จิตมันทําหน้าที่ของมันแล้วก็เลยไปยึดอันนั้นจิตว่าจิตอันนั้นจีตว่าจิตเป็นจิตตกดูแต่อา น, นาจของผมหลวงผิดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจิตที่หลุดพ้นแล้วย่อมมีเมื่อจิตที่หลุดพ้นแล้วย่อมมีงานยังก็ได้หรือจิตที่เป็นอิสระแล้วไม่ถูกอะไรปกคุมหรือไม่ถูกอะไรเสียแข็ จะพูดยังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมติสมมติหนีมากนี่เนี่ยหลวงพ่อตัดสินใจว่าทุกคนต้องรู้เดี๋ยวนี้เรามาทําเดี๋ยวนี้เนี่ยให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันดีกว่าแต่คนไปกลัวบทนึงที่หลวงพ่อกล ก, กลัวที่แรกถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมปฏิบัติธรรมมาถ้ารู้ธรรมะ ถ, ถึงที่สุดแล้วไม่เกินเจ็ตมันตายนี่ํานี้หลวงพ่อเสียวใจแต่เราอยากรู้มันนี่ เมื่อมาคำนวณคมจริงแล้วคนที่ไหนในโลกเกินกว่าเจ็ดวันตายไม่มีเล ย, ยทิศจันคารพุทธภัตสุขเสาตายภายในเจ็ดวันนี้สุขเกินมาใช่ไหคนได้รู้ธรรมะเจ็ดวันตายแล้วอันนั้นเป็นการขาดคิด ท, ทำให้คนโกวคนจึงไม่กล้าปฏิบัติธรรมะถ้าคนมีความมั่นใจจิตใจเข้มแข็งแล้วปฏิบัติให้รู้มันดีกว่าเพราะเราจะไม่มีทุกข์ ทำการทํางานพูดคิดโดยไม่มีทุกข์ทำไปด้วความสนุกสนานล่าเริใจนี่มันเป็นความทุกข์นะพ่อหลองไม่รู้มันเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเอไม่ใช่ทุกอย่างอื่นนะหลวงพ่อทุกคือทุกพ่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอย่นเอ ง, เองดังนั้นคนส่วมากจริงว่ๆพระพุทธเจ้าหรือพระล้าหันทั้งหลายนะเข้าฌานตายฌานก็เป็นวารู้นั่นเอง เข้าใจไหมครับผมฌานก็เปว่ารู้เข้าไปที่ไหเข้าไปดูสภาพาที่มันจะคานออกจากกันนี่เองเข้าไปดูตัวนี้แหละมันจะสัมผัสแน่นๆเขานี่นจิตวิมันไม่สงสัยโอ้นี่ฌานเดี๋ยวเข้ามาลุลุอันนี้นี่เองสิ่งนี้มันจะทําหน้าที่ของมันด้วยมันทำอยู่แล้วแต่เราไม่รู้มันเมื่อไม่รู้ก็นึกว่าธรรมะมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมะมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องทําบุญอย่างนั้นต้องให้ทานอย่างนี้ต้องรักษาศีลอย่างนี้มันไม่ใส่เกิดให้ทานเขาได้ รักษาสิ่งก็ได้ทํากรรมฐานก็ได้หรือไม่ได้ทานก็ได้ไม่รักไม่ได้รักษาสินงก็ได้ไม่ได้ทากรรมฐานก็ได้แต่มาทํความรู้สึกตัวนี้พวมรู้สึกตัวเนี่ยมัน mm. เป็นทางสมาธิมันเป็นทางกรรมฐานมันเป็นทางปัญญาหรือมันเป็นการให้ทานมันเป็นการรักษาสินมันเป็นอะไรพร้อมตัวมันทั้งหมดเลยมันมีสมบูรณ์แบบมันจวเป็นอิสระแท้ จังอิสระไม่ใช่เป็นอิสระเราอยากทําอะไรทําไปพูดอะไรพูดไปผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ใช่อิสระที่หลบขอบุญควาว่าอิสระในจิตใจปรนหุดพ้ใครจะพูดจะนันฟังได้เดี๋ยวขันมันมีแล้วเจี๋ยวขันบริสุทธิ์ ข, นขันฟังได้เนียหูไปขันหนึ่งใช่ไหมฟังได้เขาพูดแต่เรื่องของเขาไม่ใเรื่องของเราแล้วเขมาแน่แน่ยอยู่ที่ตัวนี้เนี่ยจิตใจเป็นเอกขัาตาก็เป็นอันเดียวหูตาบัเนี่ยเขาทําอะไรให้ดู ตาบันดูแต่มันมาแน่แ น, นกับตนี้ีโอเนี่ยเป็นเรื่องของนี่มันมาจะว่ามันเป็นเข า, าจิตจิงแต่ว่าไม่ใเกขัตาจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็มาวิภาควจารณ์นั่งกระทบตำาเขาแต่ควมจริงมันเป็จิตอย่างน้ น, นเปนย็บตำราเลยตำราเนี่ย น, น, น, นะค้ายๆคือมันเป็นผลละไม้เราจะกินทั้งเปลือกหรือหรืจะเลือกกินเนี่ยเจ า, าพอเคยพูดกินปากินเนืออย่าไปจิตก้างอย่าไปจิตโด หรือทำนาก็เหมือนกันอย่าไปกินข้าวเปลือกอย่าไปกินฟางอยไปกินข้าวสารจร้กินข้าวสุกกินเฉพาะที่มันเป็นวิสัมิตการทําบุญให้ทางก็เหมือนกันเราต้องเอาสเพาะที่มันใช้ได้การเจริญสมถาก็เช่นเดียวกันการเจริญปัพพานาก็เช่นเดียวกันนี่เป็นอย่างนั้นหรืมธรรมะที่หลวงพ่อพูดนี้ตําราเขาพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็เคยทำํำมาด้วยนะด้วยผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่ให้ถูกต้อง ติดต่อกันเมือลูกโซ่อย่างนาเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอเนกปรสงค์สองประการหนึงเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันคบนี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันคบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดโอ้จิกตำราเจ็ดวันหลวงพ่อเคยสอนมาแล้ววันนี้เราประวัติ มเพี่งวาทำ ม, า อ, า, ออมอออาอย่างไรเขาต้องพูดอย่างนั้นเพราะตัวเองมีอย่างไหนก็ต้องออกอย่างนั้นมาพูดจีวาไม่ใช่เป็นคนอวดดีพูดพูดคนดีพูดคนที่ให้ฟังคนอวดดีกับคนดีดีมาพูดไม่เหมือนกันใช่ไหมหลวงพ่อเคยสอนเด็กอายุตั้งเจ็ดปีแปดปีเก้าปีถึงอายุสิบสามปีไม่เกินห้าวันหลวงพ่อจะมีเทคนิคสอนให้เขารเรื่องลูกนามเรื่องผีเทวดานรกสวรรค์บาป บ, บุญศาสนาพุทธศาสตร์เขาจะหายได้ เด็กน้อยนเนี่ยแต่เขามีอารมณ์ดีควคเขา